วิธีลงตัดสปาปิยสิกากรรมและกรร ม, มวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงลงตัดสปาปิยสิกากรรมอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงโจทย์ภิกษุอุปวาระก่อนครั้นแล้วพึงให้ภิกษุอุปวาระนั้นให้การแล้วพึงปรับอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถ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 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละตัสปาปิยศสิกากรรมสงลงแล้วแก่ภิกษุอุปวาระสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้